หัดยังไงถึงจะดึงลังอยากกินเยอะๆอยากกินมากๆฮะเออบางทีก็ต้องใช้อดใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ตรงนะอันนี้จะเป็นตัวมาดึงล้างเพราะบางทีมันอยากมาก อ, ะอ่ะเอ ม, มันกินแค่พอดีพอประมาณมันยังมันห้ามใจไม่ได้อะ่ะบางทีก็ต้องให้ออดเลยเพื่อที่จะสมดุลสมดุลก็อยากมากอ่ะอันนี้อันนี้เป็นการเรารู้นะเรารู้ตัวเรา เพื่อที่จะมาดึงล้างมันก่อนจริงๆมันก็โตเหมืองกันแต่มันเป็นการโตเพื่อที่จะดึงล้างให้ให้มันสมดุลอ่าอันนี้จึงไม่อันนี้ไม่ได้ถือว่าไปโตมเพราะว่าปกติตอนนี้มันโตงไงอ่ามันเหมือนกับเราอะไรอ่ะตาช่างสองแขนอย่างเงี้ยโอ้โหเอียงกะเทเลยอย่างเงี้ยคุณจะทําให้มันสมดุลคุณต้องหาน้ําหนักให้มันพอกันใช่ไหมมาทวงอีกข้างหนึ่งให้มันสมดุลได้ตาช่างมันถึงจะ เสมอแล้วก็เท่ากันได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือการจัดสมดุลนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความโตง่งโดยที่อันนี้เรารู้ความเป็นจริงว่าโอ้โหอันนี้เราเราดูดมากเลยเรื่องนี้สมมุติว่าชอบกินอะไรอะแหมอัตมาก็ไม่ค่อยได้ไปดูที่ชมารอเขาว่เาเขาเอามะขามหวานก็ได้เอาโอ้โหมะขามหวานจากไม่รู้จกากจังหวัดไหนม่ จังหวัดไหนจังหวัดเพชรบูรณ์เหรออ้าวว่าโอ้โหหวานมะขามหวานนะโอหอร่อยมากเลยเราแล้วเราชอบไงเพราะฉะนั้นถ้าตามกิเลสเราเป็นยังไงฝักใหญ่ใหญเนี่ยกินสักกี่ฝัก อ, ะอ่ะฮะเอาเอาปโลเลยเหรอเอาเอาเอาให้มันตรงตรงหน่อยนะโอ้โหกินแทนข้าวเลยนะติดใจมากลกินมันเป็นโลเลย อธิบาไม่รู้กี่ฝากโกลนะเนี่ยกินมันเลยมันให้มันสะใจเรารู้แล้วว่าโอ้โหเรามีกิเลสตัวนี้มากเลยเพราะฉะบางทีเราก็ใจมันอยากนะมันอยากจะกินมันอยากจะกินอยากจะกินเห็นแล้วก็อยากจะกินรู้ว่าถ้ากินฝากเดียวเนี่ยเป็นไงถ้ากินฝากเดียวทําใจไม่ได้อ้าจริงจริงบางคนเนี่ยให้กินฝากเดียวทําใจไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแก้แบบอันนี้แก้แบบเจโตเอาเจโตมาดึงล้งไว้ก่อนก็คืองดวันนี้ไม่กิน หลงไหลอะไรมันนักหนามาขามหวานนนะงดวันนี้หัดโอ้โหใจมันก็อยากอยากอยากอยากนะแต่แล้วก็งดแล้วก็เว้นสู้กับมันเนี่ยทรมานใจเราอยู่เนี่ยแหละแต่จริงๆไม่ใช่ทรมานใจหรอกเรากำลังทรมานกิเลสมันกิเลสไม่ใช่ใจเรานะอ่ากิเลสไม่ใช่ใจเรานะเพราะจริงๆไม่ใช่ทรมานใจเราเรากำลังทรมานกิเลสเราอะพูดผิดเหรอ กูไม่ผิดนะแต่กิเลสมันอยู่ในใจเราต่างหากใช่หรือเปล่าอ่ากิเลสมันอยู่ในใจเราเพราะจริงๆเราไม่ได้ทรมานใจเรานะเพราะใช้คำพูดที่ถูกต้องนะจริงๆเราทรมานกิเลสเราอืมหลายคนเนี่ยบอกโอ้โหท่านเป็นงดเลยอย่างนี้ไม่ไหวนะมันทรมานใจเกินไปอืมไม่ใช่ไม่ได้ทรมานใจทรมานกิเลสต่างหากเรา แต่ตอนนี้เนี่ยทําไมมันรู้สึกใจมันเจ็บไปด้วยเพราะตอนนี้กิเล่มันกำลังจะไปครอบครองใจคุณถ้าคุณให้กิเลมันครอบครองใจคุณใจคุณกลายเป็นไรละใจคุณก็กลายเป็นตัวกิเลสซะเองเพราะฉะนั้นคาวนี้พอพอไปทรมานกิเลส ก, ก็เลยกลายเป็นทรมานใจทั้งทั้งที่ความจริงไม่ใช่กิเลสมันมันไม่ได้เป็นใจคุณ กิเละมาที่หลังบางทีอ่ะคุณก็กินมะขามหวานมาตั้งแต่เด็กก็เหรอไม่ใจคุณไม่เคยติดมะขามหวานมาก่อนหรอกมันกินทีหลังอะ่ะคุณไปกินจนมันติดเองอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณติดมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่มากเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นใจคุณมากเท่า น, นั้นอ่ะทั้งนั้นที่ความจริงมันไม่ใช่ใจคุณนะอ่าวันเนี้เนี่ยถ้าเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเราก็ต้องหัดอดหัดงดหัดเว้น เพื่อจะแก้ความหลงไหลอันนี้แล้วถ้าคุณหัดอดหัดงดหัดเบ้นคุณหัดได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนกระทั่งคุณเริ่มไม่หลงไหลล้วคราว น, นี้ถ้าคุณเริ่มไม่หลงไหลเนี่ยคุณกินมะขามหวานสักฝากหนึ่งเนี่ยนะคุณจะยั้งได้ไหมอ่ามนเริ่มยั้งได้มันจะไม่ติดเหมือนอย่างเก่าอ่าเพราะคุณเริ่มเริ่มมีสติในการที่จะสามารถระงับหยับย่าง นั่นี่คือหลงไหลคงพอเข้าใจนะเรื่องความหลงไหลส่วนอีกมุมหนึง่งอย่างที่บอกคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องผลักหลงไหลหลงแบบเกียดชังเหลือเกินผลักออกนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเราเกลียดเราไม่ชอบนะเป็นความชังจริงๆอันนี้ก็คือความหลงไหลอ ย, อย่างหนึง่งไม่อยากไม่อยากพูดด้วยไม่อยากเห็นหน้า ถ้าคุณหลงอย่างนี้หนักเข้าหนักเข้าหลงในเชิงผลักเนี่ยคุณหลงหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าโอ้โหระวังเฮอะบอกนะมากเข้ามากเข้าคุณโตงมากเข้ามากเข้ามากเข้าคุณทําร้ายเขาได้นะคราวนี้มันไม่ใช่แค่คิดแบบผลักเขานะเผลอๆไอ้คนนั้นนะหัวแตกได้อ่ะคุณอาจจะเอาไม้ตีหัวเขาก็ได้แต่นี่มันหลงในเชิงผลัก มันถ้าหลงไหลในเชิงผักมากเข้ามากเข้าอันตรายเหมือนกันคราวนี้ถ้ามาเปรียบกับอาหารที่เราไม่ชอบกินแต่เป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์เช่นอะไรอาหารที่ดีแล้วมีประโยชน์แต่เราไม่ชอบกินอ่าอาอาวสมมุติไอไอถั่วเหลืองเนี่ยนะหรือว่างาอะไรพวกนี้นะเรารู้ว่าดีมีประโยชน์แต่เราไม่ชอบกิน เพราะถ้าคุณสั่งสมความหลงไหลในแง่ผลักอย่างเงี้ยเผลอๆไปยังไงไอๆรถที่ผ่านมาไปยงไงสมมุติว่าเขาเอาใส่รถมาจะมาให้เราตักเงี้ยเป็นไงโอ้โหผลักแรงเลยนะผลักรถทั้งแรงเลยนะผลักไปให้รีบๆขับไล่สายส่งให้มันรีบไปไ ป, ไปไหนซะเอาบางคนนี่จิตมันผลักถ้าบอกแล้วท่านมันหนักหนักเข้าหนักเข้านี่โอ้โหรีบเข็นไปเลยนะ เหมือนกับบางคนเกลียดทุเรียนน่ะที่ที่เคยพูดให้ฟังเกลียดทุเรียนเกลียดกินทุเรียนอะไรโอโ้โหไมรีบขับสายไล่ส่งทิ้งเลยเพราะนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยเป็นความสุขต่งในเรื่องแบบหลงไหลเนี่ยแหละแต่ว่ามันมันโต่งไปในขั้วของมุมผักเพราะฉั้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้ถ้าในมุมผักเนี่ยคุณจะแก้ความหลงไหลแบบนี้แก้ไงแก้ไงเขาเนี้ แก้โดยการที่ต้องหัดกินมันบ้างหรือว่าหัดดมมันเธอะบ้างนะถ้าไม่ค่อยชอบทุเรียนนะถ้าไม่กล้ากินก็หัดดมๆให้มันค่อยๆ ค, คุ้นให้มันค่อยๆชินขึ้นมาแก้ตัวสุดโตมงที่เราจะเกียดแล้วเราก็จะผลักเกินไปมันถึงจะแก้ตัวหลงไหลได้เพราะฉะนั้นอนตาตมาถึงบอกว่าหลงไหลเนี่ยมันมีสองมุมถ้าใครเนี่ยไปตีหลงไหลแต่มุ ม, ม, มดูดใช่ไหม คุณก็ไปแก้แต่มุมดูดแต่มุมผักคุณไม่แก้เนี่ยแล้วมันจะแก้ได้ยังไงเพราะไอ้สองอย่างนี้มันอยู่ในจิตคุณด้วยกันทั้งคู่วันแก้เนี่ยมันต้องแก้ทั้งสองส่วนสิ่งไหนที่มันดูดจนลหลงไหลคลั่งไคล้นะอยากได้มาก็หัดงดหัดเว้นหัดลดลงแต่สิ่งไหนที่ลหลงไหลแบบในมุมผักเกียดชังไม่อยากคุยด้วยไม่อยากเจอเออหัดเจอบ้างหัดทักทายบ้าง หักยิบยิ้มให้เขาบ้างนี่แหละจะได้แก้จิตของความลหลงไหลแบบตรงตงนี่ลงไปอ่านะนี่ตัวที่สามบอกถึงเนื้อของกิเลสแล้วก็บอกวิธีแก้ให้เสร็จละเอาตัวที่สี่อันนี้หลงตัวแหน่หลงตัวนี่อะไรหลงตัวเอออัตามาณชัดเลยตัวนี้หลงตัว นายอันนี้รู้ยากหลงตัวนี่รู้ยากไอ้หลงไหลนี่ก็ยังรู้ง่ายนะไอ้หลงผิดนี่ก็ยังเออเอเอมันบางทีคนอื่นก็เห็นหรือว่ามาบอกอะไรเราก็ยังพอจะ้นั่นได้นะไอ้หลงลืมนี่ก็แหมเราก็ไม่ค่อยจะรู้ว่ามันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันน่า ก, กลัวอะไรเราก็รู้ว่าเราเราลืมนะไม่เท่าไหร่แต่หลงตัวนี่คุณเอ้ยยากที่สุดเลยในบรรดาหลงทั้งหลายนี่ อันนี้รู้ตัวด้ยากมากเพราะไอ้ความหลงตัวเนี่ยนะมันคิดว่าเร า, เราดีเราถูกต้องหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทาให้ทาให้เราเนี่ยสูงส่งอคนอื่นนี่ต่าต้อยกว่าเราคนอื่นนี่สู้เราไม่ได้ก็ถ้าหลงว่าตัวเองเป็นเหมือนกับแหมพูดง่ายหลงเหมือนกับเราเป็นศาสดา หลงเหมือนเราก็เอาเป็นผู้นำหลงว่าเรานี่ชั้นเลิศชั้นเยี่ยมแล้วคนอื่นก็ต่ำกว่าหมดอย่างเงี้ยต่อให้คนมาพูดมาบอกมาเตือนมาอะไรเป็นไงมันยากเลยใช่ไหมเพราะเราคิดว่าคนอื่นสู้เราไม่ได้อ่ะเพรโอ้โหหลงตัวนี่อันตรายที่สุดเลยแล้วคนเราเนี่ยแม้แต่มาทำดีเนี่ยคุณมาทำดีเนี่ยคุณยังหลงดีได้เลยใช่ไม ฟังให้ดีนะบอกแล้วนะคำว่าหลงนี่เราไม่ได้ใช้ในทางที่ดีนะแต่คุณมาทำดีเนี่ยทำจนคุณหลงก็ได้ถ้าถ้าคุณเผลอผายไปมันเป็นอุปกกเร ท, ที่จะขึ้นมาซ้อนได้กลายเป็นหลงดีได้หลงดีเนี่ยแหละเป็นอัตตามาณนะเ น, นี่ยหลงดีถือดีถือตัวเนี่ยเนี่ยคือคือตัวนี้แหละที่เรากาลังพูดถึงกิเลสตัวนี้ มันหลงตัวนี่เป็นเรื่องยากมากมากยากจนกระทั่งคนอื่นมาแนะมาบอกมาสอนมาอะไรนี่ยากมากไม่ยอมนึกอยู่ว่าเราจะแก้ยังไงเนี่ยอ้นเนี้ยเพราะว่าแหมนึกซะแล้วว่าตัวเองดีดีกว่าใครแล้วนี่หลงตัวแล้วนี่คุณว่าอะไรจะมาแก้ความหลงตัวได้ไหนช่วยคิดหน่อยที อะไรจะม า, าแก้ความหลงตัวได้เ อ, เอาตามสูตรนะอาตามสูตรคุณก็พูดว่าให้หัดยอมให้หัดอ่อนอน้อมถ่อมตนใช่ไหมอันนั้นมันตามสูตรนะคุณแต่ถ้ามันหลงตัวซะแล้วมันเป็นไง <c oughs> เอ่อ อ๋ออันนั้นที่ตะกี้นี้จุพูดมานี่นะคือคนหลงตัวเนี่ยนะพูดง่ายว่าต้องปล่อยให้มันให้มันเจอเองถ้าพูดอย่างนี้ต้องปล่อยให้มันเจอเองมันหลงดีนักเนี่ยหลงตัวดีนักปล่อยให้เจ็บเองหรือปล่อยให้เจอทุกปล่อยให้อะไรอะความจริงมันปรากฏแล้วถึงจะรู้ตัว อันนั้นมันธรรมชาติอยู่แล้วอันนั้นธรรมชาติจะลงโทษนะหรือว่าวิบากกรรมจะเล่นงานเองอาแต่เดีนี้ถ้าเราอะถ้าเราเองเนี่ยเราปฏิบัติทําไปเราก็มีโอกาสหลงตัวเราจะทำยังไงจะป้องกันหรือจ ะ, จะแก้ไข ย, ยังไงถ้าเราเองเป็นคนหลงตัวซะเองจะแก้แกยังไงถ้าไม่รู้ตัวไม่มีทางแก้ไขบอกแล้ว ทำไมรู้ตัวไม่มีทางแก้ไขบอกตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตัวที่หนึ่งแล้วนะตั้งแต่หลงลืมหลงลืมแบบกิเลสเนี่ยคือถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยไม่มีสติรู้ตัวจบไม่ต้องพูดถึงเลยเ อ, อไม่ต้องพูดถึงเลยนั้นเพราะฉะนั้นสติต้องรู้ตอนนี้เอาละ่ะยังไงเนี่ยจะมาถามคุณเถอะคุณทําดีเนี่ยนะคุณทําดีไปทําดีไปเนี่ยถามจริงๆเถอะคุณไม่หลงดีมั้งเหรอ คุณไม่คุณไม่ถือดีมัง้งเหรออาตมาว่ามีนะอาตมาก็มีรับรองว่าอันนี้คุณต้องมีแนะ่นอนคุณทำดีเนี่ยนะยังไงก็ตามแลวคุณทำได้จริงด้วย เ, เราถือศีเราปฏิบัติทมโอ้เราลดละกิเลสได้เราดีขึ้นจริงจรงิเพราะนั้นไอ้ความ หลงดีหรือความถือดีของเราเนี่ยมันมีดีให้ถือนะคุณไม่ใช่ไม่มีดีให้คุณถือถ้าไม่มีดีให้คุณถือแสดงว่าคุณหลงแหละเออคุหลงผิดไปแล้วเออกุหลงผิดไม่ใช่ไม่ใช่หลงตัวเอไม่ใช่หลงอันนี้แหละใช่ไหมเออเพราะวอันนี้เนี่ยมันหลงตัวนี่มันถือตัวนี่มันมันคิดว่าดีนะตัวเองมีดี เพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะต้องมีมาคอยเตือนจะต้องมาคอยเตือนแลวจะเอาวิธีไหนมาคอยเตือนนะโอ้ไม่จริงอะ่ะบอกว่าอันนี้บอกว่าก็ต้องฟังเทศฟังธรรมฟังพ่อท่านฟังอะไรอย่างงี้จริงเหรอฟังแล้วจะเตือนคุณได้ฮะฟังแล้วจะเตือนคุณได้จริงเหรอ Uh, ถ้าคุณบอกว่าฟังแล้วจะช่วยเตือนคุณได้นนี่นะอาตมาจะบอกให้อย่าอย่อย่า อ, อ, อย่าใช้คำว่าฟังธรรมะโดยปกติอาตมาจะต้องขอบอกว่าให้คุณฟังคำด่าต้องขอใช้คำนี้ให้คุณฟังคำด่าคำว่าคำติคำอะไรเนี่ยให้มากๆจากยิ่งโดยเฉพาะจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกัน หรือจากจากผู้รู้อะเอาที่เราคิดว่าเราก็พอที่จะเชื่อถือได้เอางี้ก็แล้วกันใช่มคือถ้าฟังทำธรมธรมดาเนี่ยแหมเพอเพโอโอ้โหเรายิ่งฟังเรายิ่งเข้าใจนะยิ่งเขยิ่งเข้าใจเป็นไงแหมยิ่งเชื่อมั่นตัวเองยิ่งยิ่งเชื่อว่าตัวเองรู้ดีมากขึ้นมากขึ้นโอ้โหไออย่างนี้ยหละยิ่งหลงตัวหนักเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นจะจะบอกว่าฟังพราะตอนเท่เฉยๆไม่ได้แต่ก็ก็ถ้าคุณหลงตัวเนี่ยคุณจะไปคิดแง่ไม่ดีอะไรของตัวเองกันในกันนาแล้วคุณอาจจะคิดแล้วก็ได้แต่คุณคิดแล้วสรุปก็คือดีมากกว่าคุณคิดแล้วคุณจะสรุปว่าคุณดีมากกว่าอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถึงถึงบอกว่า ต้องฟังเนี่ยคำตำห น, ตตตนิต้องฟังคำติงเตือนต้องฟังคำบ้ากล่าวหรือพูดง่ายๆว่าหัดให้คนเนี่ยวิจารณ์หรือว่าให้ขุมทรัพย์เราเนี่ยให้มากๆให้บ่อยๆสิ่งเหล่านี้จากเพื่อนฝูงจากนักปฏิบัติธรรมด้วยกันจะช่วยเตือนหรือช่วยระวังการหลงตัวของเราได้ดีเนี่ยอธิบาลรู้สึกว่าอันเนี้ยดีที่สุดเลย เพราะฉะนั้นบางทีมันนะ้ำมันขอบ้างมันขอปรบารนานะใครจะชี้ขุมทรัพย์ก็ชี้นะพยายามหัดประวรนาพวกนี้แต่อย่าอย่าเอานิสัยแบบประเภทประวรนาแต่ปากนะอ่าปรารนาแต่ปากก็คือคําว่าป ร, ประวรณานี่หมายความเป็นภาษาไทยว่า นะเขาจะติเขาจะว่ากล่าวเขาจะติงเตือนยังไงเนี่ยก็ติงเตือนเราได้อ่อันเนี้ยนะด้วยเมตตาด้วยเอนดูด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละอันนี้คําปรวนาคืออย่างนี้ไม่ใช่ปรวนาแต่ปากก็คือพอปรวนาไปแล้วพอเขาติงเตือนมานี่เราไม่เอาเลยอะ่ะเราไม่รับเลยนะเผลอเผอเราอะไรอะ่ะ สวนกับเผลอเราว่ากับอย่างนี้ไม่ใช่เพราะปราวณาของท่านพุทธทาสท่านบอกอะไรเลยหุบ ป, ปากเลยนะผู้ที่บอกปราวณาคนอื่นแล้วเนี่ยเขาติเขาว่ายัางไงหุบ ป, ปากไม่ต้องเถียงฟังลูกเดียวแล้วก็เอาไปพิจารณาอืมอันเนี้ยจะแก้ความหลงตัวได้ดีนั้นฝึกตรงนี้เพราะเรื่องหลงตัวนี่สาคัญนะจะมาบอกคุณได้เลย สำคัญมากมากส่วนที่เราบอกว่าอาให้เราพยายามเตือนตัวเราเองว่าเออบางทีเนี่ยเราอาจจะผิดก็ได้อันนี้เป็นการเตือนตัวเองก็คอยมีสติ ค, คอยเตือนไว้แต่ว่าผลอันนี้มันไม่ค่อยมากหรอกเพราะว่าเราเตือนตัวเราเองเนี่ยนะ ม, น ม, มันไม่มันเท่ากับคนอื่นเตือนให้หรอก ใช่ไหมคุณเตือนคุณจะด่าว่าตัวเองยังไงโทเออมันจะเจ็บแสบอะไรกันนะกันหนาใช่ไหมมันบัญญาบัญญางอยู่แล้ววานให้คนอื่นเตือนให้วานคุณตั้งจิตตรงนี้ให้ดีว่าเราจะปรณาเราจะขอให้คนอื่นเนี่ยคอยว่าก่าวคอยิเตือนเราอันนี้แหละจะแก้ตัวหลงตัวของคุณได้ดีที่สุดเลยดีกว่าอะไรทั้งสิน้นนะแล้วก็รับมาแล้วก็เอามาพิจารณา นะพิจรารณาถ้าพิจารณาแล้วปรากฏว่าเอคิดซ้ายก็แล้วคิดขวาก็แล้วคิดหน้าก็แล้วคิดหลังก็แล้วเราก็ยังดีกว่า <c oughs> ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีแก้ต่อไปก็คือว่า <c oughs> ลองเอาสิ่งเหล่านี้ไปถามผู้รู้ไปถามครูบาอาจารย์ไปถามผู้ที่เราคิดว่ า, ามีภูมิปัญญามากกว่าเราให้ให้ช่วยวิวตกวิจารมาดูซิ วิเคราะห์ดูสิว่าเนี่ยที่คนที่เขาติงเตือนเขาว่ากล่าวเรามาอย่างเงี้ยมันน่าจะถูกต้องไหมอ่าเพราะว่าเรามีสิทธิ์หลงตัวเราเองอีกใช่ไหมคนอื่นเขาติงเตือนมาแล้วเราก็ยังไปคิดเข้าข้างเราก็ได้อ่ะไอความหลงตัวเนี่ยมันจะเข้าข้างกิเลสตัวเราเองอยู่เรื่อยเลยหรือเข้าข้างความดีของเราอยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอย่าไว้ใจตัวเองนะักนะคนที่จะไม่ ไม่หลงตัวเองเนี่ยอย่าไว้ใจตัวเองน ะ, ะจะได้ลองลองไปให้ผู้รู้กว่าวิเคราะห์วิจารเราดูสอิอันนี้เรายังจะยอมรับได้ใช่ไหมจากผู้ที่เราคิดว่าสูงกว่าเราหรือว่าเหนือกว่าเรานี้จะแก้หลงตัวส่วนอันสุดท้ายคืออะไรหลงเหลืออันนี้ก็บอกแล้วถ้าโดยกิเลส ทําอะไรไปก็ติทำอะไรไปก็ตามแต่เธอคุณดีถ้าตาบเท่าที่คุณเนี่ยเอาต่อให้ได้เป็นโสดาสกิทาอนาคาก็ยังเหลือกิเลสอยู่เลยเพรา ะ, ะกิเลสที่เหลืออยู่นี่นะก็ยังเป็นความหลงเหลือตาบใดที่กิเลสยังหลงเหลืออยู่จิตคุณก็ไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสไม่ได้หรอกพาต้องทำให้เกลี้ยงทาให้หมดอย่าให้มันเหลือ แล้วระวังอย่าหลงในสิ่งที่เหลืองันหลงเหลือเนี่ยอย่าหลงในสิ่งที่เหลืออยู่โดยเฉพาะบางทีมันประมาทอะเราว่าโอ้เราเหลือหน่อยเดียวเองไม่เท่าไหร่หรอกนี่มันนิดหน่อยนะราานิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกเนี่ยกับข้าวที่เหลือนิดหน่อยกินกินไปก็ไม่เป็นไรหรอกนี่มันเหลือแค่นิดหน่อยเออถ้ามันเหลือเยอะสิ ไปอีกอย่างไอ้ น, นี่มันเหลือนิดเดียวแม่เนี่ยจริงๆเนี่ยเลิกกินแล้วนะมาเห็นอาหารเหลือเสียดายแม่มันเหลืออยู่แค่นิดหน่อยจะทิ้งก็เสียดายเอาเข้าปากเอาเอาเก็บไว้ในท้องดีกว่าเสียดายเพราะอย่าไปเสียดายเพราะว่าไอ้ น, นี่มันเป็นกินเลสเราอย่าไปให้มันเหลือนะ จัดการให้สิ้นเกียงไปได้เลยสิ้นเกียงอย่างถูกทางนะอย่างถูกต้อง อ, อย่าให้มันผิดศีลอย่าให้มันผิดะบาะอกําจัดออกไปเลยนันกิเลสพวกนี้เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าตาบใดเป็นพระโสดาบันนะคุณก็ยังหลงเหลือไอ้ที่เหนือกว่าพระโสดาบันกิเลสอะที่เหลือเหนือกว่าพระโสดาบันคุณก็ยังเหลือคุณได้สกิทาคามี เลืยังหลงเหลืออยู่ขึ้นไปเหนือกว่าสกิทาคามียังมีอยู่จนกระทั่งคุณเป็นอนาคามีใช่ไหมเศษเหลือน้อยมากเลยในจิตจนเรียกว่าจะนิพพานก็ได้แต่ก็ยังเหลืออยู่ดีย <c oughs> เพราะฉะนั้นระวังแม่มันเหลือแค่นิดๆน้อยๆให้มันเกลี้ยงไปเลยอย่าให้มันเหลือบางคนเนี่ยเลิกกินจุบจิบก็ได้แล้วเนี่ย แต่บางทีอะไรมานิดอะไรมาหน่อยเออไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่ติดอะไรแล้วนี่พูดอย่างนี้นะเราไม่ติดอะไรแล้วเราไม่จูจีดแล้วไอน้นี่เออเ อ, อไม่เป็นไรหรอกแค่นิดหน่อยออก็เอามากินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วทำไมจะต้องให้มันหลงเหลืออยู่ล่ะ <c oughs> ก็มันทำได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทำได้เป็นพระอราหันต์อย่างเงี้ยทำได้เต็มร้อยทำไมไม่ทำอย่าไปให้มันหลงเหลือ โดยเฉพาะอย่างที่บอกไว้ส่วนใหญ่มักจะเสียดายของนี่แหละจะเป็นพวกแม่ครัวก็ตา ม, มเป็นพวกทำงานทำการอะไรบางทีเสียดายของก็เก็บเก็บเก็บเป็นบ้าหอบฟางเก็บไว้เต็มไปหมดนี่แหละพวกเสียดายหลงเหลือไปไปม า, มาก็เลยมันเหลือไปเหลือมาเป็นไง มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะกูเหลือไปเหลือมามันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคราวนี้มันไม่ใช่แค่หลงเหลือนะอะ่มันหลงหลายแล้วอะมันไม่ใช่หลงเหลือมันหลงหลากหลายเลยอะ่ะเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นระวังนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปคิดอย่างนี้ไงเออไม่เป็นไรนะ่ะนิดหน่อยนะ่ะนิดหน่อยนะ่ะโยนโยนยนโยนแล้วคุณก็เลยไม่ได้อะไรที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเลย